วันเวลามีแต่จะผ่านไปผ่านไปเวลาที่เหลือของพวกเราก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆ เ, เวลาที่จะได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรม ก็จะมีน้อยลงไปตามลำดับดังนั้นเราจึงควรรีบขวนขวายรีบตักตวงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะต่อไป เราจะไม่มีโอกาสจะไม่มีเวลาเหมือนกับโบราณที่พูดไว้ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักตอนนี้น้ำแห่งธรรมกำลังขึ้นเรากำลังมีเวลามีกำลังวังชาที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติธรรมกัน ถ้าเราไม่รีบทำกันวันข้างหน้าซึ่งอาจจะใกล้หรือไกลก็ได้เราจะไม่มีเวลาได้ศึกษาได้ปฏิบัติกันเมื่อเราไม่มีเวลาหรือไม่มีโอกาสที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้ว เช่นเราแก่ลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปโอกาสอย่างนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นอีกได้อย่างง่ายๆโอกาสที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่เป็น สิ่งที่เลิศสิ่งที่วิเศษสิ่งที่หายากอย่างยิ่งในไตรภพเพราะเป็นสิ่งเดียวในไตรภพที่จะสามารถนำพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิด การแก่การเจ็บการตายได้มีพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวในไต้หพนนี้เท่านั้นที่จะนำพาสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้และผู้ที่จะหลุดพ้นได้ง่ายที่สุดก็คือ การได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของมนุษย์นั่นเองมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์ผู้ที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างสะดวก ก็คือมนุษย์เพราะว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรตวแล้วพระพุทธเจ้าก็จะสอนให้แก่มนุษย์เมื่อมนุษย์ได้รับไปศึกษาได้รับไปปฏิบัติก็จะได้บรรลุถึงภาพนิพพานได้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ แล้วผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นแล้วก็จะได้นำเอาพระธรรมคำสอนของพพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ให้แก่เพื่อนมนุษย์ต่อไปอีกดังนั้นโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังธรรมในฐานะของการเป็นมนุษย์นี้จึง มีมากกว่าในฐานะของเทวดาซึ่งก็มีโอกาสที่จะได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมเหมือนกันแต่ต้องฟังจากผู้ที่มีความสามารถที่จะติดต่อกับเทวดาได้ซึ่งไม่ได้เป็นกับทุกพระอารหันตุกพ่อองค์ทุกรูป พาาระอรหันต์บางรูปท่านก็ไม่สามารถติดต่อกับเทวดาได้แต่พาาระอรหันต์ทุกรูปนี้สามารถติดต่อกับมนุษย์ด้วยกันได้การเป็นมนุษย์จึงวิเศษกว่าการเป็นเทวดาเพราะโอกาสที่จะได้รับคำสอน นั้นมีมากกว่าการเป็นเทวดานั่นเองตอนนี้ฝนเริ่มลงเล็กน้อยถ้ายังพอที่จะทนนั่งได้ก็ลองทนต่อไปพออาจจะตกเพียงเดียวเดียวแต่ถ้าตกมากก็ต้องขยับขยายก็ ทำได้ตามัตยาศัยศาลาชั้นบนก็มีที่นั่งอยู่เกินไปนั่งฟังข้างบนก็ได้หิวลำโพงไปด้วยแต่ถ้ายังพอนั่งฟังได้อยู่จะฟังต่อไปก็ฟังไปคิดว่าเทวดามาปร่มน้ำบ่นให้กรแล้วกัน นานๆจะได้รับน้ำมนต์ของเทวดาสักครั้งหนึ่งคิดว่าเป็นน้ำทิพเป็นน้ำใจจากเทวดามาอนุโมทนาสาธุกับความขวนขวายกับความศรัทธาของพวกเราที่มีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีต่อการสแสวง ทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการมาเกิดเป็นมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เลิศสิ่งที่วิเศษและการปรากฏของพระพุทธศาสนาในแต่ละครั้งก็เป็นสิ่งที่เลิศที่วิเศษกว่าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีก หลายล้านเท่าด้วยกันถ้าเราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้เราก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์เช่นถ้าเรามาเกิดเป็นเดรัจฉานเช่นสิงสาราสัตว์ที่มีอยู่ในเขานี้ ถึงแม้ว่าจะมีการแสดงธรรมมีการฟังเทศน์ฟังธรรมกันแต่สิงสารสัตว์นั้นไม่สามารถรับประโยชน์จากการแสดงธรรมได้เลยเพราะเขาไม่มีปัญญาที่จะรับรู้เข้าใจเสียงธรรมที่กำลังแสดงอยู่นี้ได้เลย ต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นดังนั้นเราในฐานะที่เป็นมนุษย์เราอย่าปล่อยให้ความเป็นมนุษย์ของเรานี้ไปเป็นเหมือนกับเดรัจฉานคือไม่สนใจที่จะศึกษาพราะธรรมคำสอนของ พ, อพระพุทธเจ้าถ้าไม่สนใจศึกษาไม่สนใจที่จะปฏิบัติ การมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ต่างกับการมาเกิดเป็นเดรัจฉานเราก็จะอยู่เหมือนกับเดรัจฉานคือหาความสุขผ่านทางร่างกายเดรัจฉานเขาก็หาความสุขด้วยร่างกายของเขามนุษย์ก็หาความสุขด้วยร่างกายของเขาเหมือนกันหาสิ่งเดียวกัน หารูปเสียงกลิ่นรดโพธพภเหมือนกันตอนนี้ก็อยากจะย้ายก็ขอเชิญขยับขยายจะขอพักสักครู่หนึ่งเพราะตอนนี้ฝนเริ่มตกมากขึ้นแล้ว ตอ น, นี้ฝนก็หยุดตกแล้วพอที่จะพูดธรรมะได้ต่อก็ขอพูดต่อจากตอนที่ก่อนฝนจะตกเพื่อได้พูดถึงเรื่องของการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้า ไม่สนใจไม่ศรัทธาที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ต่างกับการเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะเดรัจฉานก็ไม่สนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาแต่อย่างใด ดังนั้นถึงแม้ว่าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสไม่มีความสนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติเราก็ต้องปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นให้ได้ปลูกฉันทาวิริยะ คือความยินดีความพอใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติเราก็ต้องบังคับตัวเราเองให้เข้าหาพระธรรมคำสอนให้ได้ให้เราคิดว่าเป็นสิ่งที่มีคนมีประโยชน์กับเรา ถึงแม้ว่าจะยากถึงแม้ว่าจะไม่น่าปรารถนาก็ขอให้คิดว่าเป็นเหมือนกับการรับประทานยาเรามีโรคภัยไข้เจ็บปกติถ้าเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไม่รับประทานยาเราจะไม่ชอบรับประทานยากัน แต่เวลาที่เรามีโรคภัยไข้เจ็บยาเราก็ต้องรับประทานถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบรับประทานแต่เราก็ต้องบังคับตัวเราเองให้รับประทานฉันใดพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับยารักษาโรคใจรักษาความทุกข์ใจ ถ้าเราอยากจะหายจากความทุกข์ใจเราก็ต้องเอาพระศาสนาเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามารักษาใจของเราพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เรียกว่าธรรมโอสถยารักษาโรครักษาโรคใจ ที่ยารักษาโรคกายไม่สามารถรักษาได้เวลามีความทุกข์ใจไปหายามารับประทานก็จะไม่มีวันที่จะดับความทุกข์ใจได้ต้องเอาธรรมะของพระพรธเจ้าเข้ามาดับการที่จะเอาเข้ามาดับได้เราก็ต้องรู้จักวิธี รับประทานยาและรู้จักว่าต้องรับประทานอย่างไรเวลาใดถึงจะได้รักษาโรคของใจให้หายได้การที่จะรับประทานยาคือธรรมโอสถนี้เราจึงต้องศึกษา วิธีรับประทานยาว่าต้องรับประทานอย่างไรถึงจะได้เอายาเข้าไปสู่ใจเอาไปรักษาโรคของใจเอาไปดับความทุกข์ใจพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เราเริ่มต้นที่การทำทานให้เราแบ่งปัน ให้เราเสียสละสิ่งของที่เรามีมากเกินที่เราต้องการมีอะไรที่เหลือกินเหลือใช้ที่เราพอที่จะแบ่งให้ผู้อื่นได้ก็ขอให้เราแบ่งไปทำไป <Yes. S 1> การแบ่งปันนี้จะทำให้ใจของเรานี่ ไม่ต้องมาทุกข์กับข้าวของเงินทองต่างๆถ้าเราไม่รู้จักการแบ่งปันถ้าเราไม่รู้จักการให้เราก็จะมีความผูกพันมีความรักมีความหวงในสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆเวลาที่เราต้องสูญเสียข้าวของเงินทองไป เราจะมีความทุกข์ใจในทางตรงกันข้ามถ้าเรารู้จักแบ่งปันรู้จักให้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแก่ผู้อื่นเราจะได้ความสุขใจแทนที่จะได้รับความทุกข์ใจพอถึงเวลาที่เราถูกบังคับให้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง เราก็จะสละได้อย่างมีความสุขเพราะในที่สุดเข้าของเงินทองต่างๆก็จะต้องจากเราไปเช่นเวลาที่เราจากโลกนี้ไปเราก็ต้องจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปถ้าเราไม่รู้จักให้ไม่รู้จักเสียสละ เรามีแต่ความรักมีแต่ความหวงในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเวลาต้องจากกันนี่จะทุกข์ทรมานใจมากนี่ก็คือยารักษาความทุกข์ใจในระดับเข้าของเงินทองต่างๆเราเราเจ้าถึงสอนให้เราหมั่นทำทานอยู่เรื่อยๆมั่นสละมั่นแบ่งปันอยู่เรื่อยๆ แล้วเราจะมีความสุขใจทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่มีเหลืออยู่เราก็จะไม่วิตกกังวลมากจนเกินไปเพราะเรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปแต่เราสามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทอง ถ้าเรามีใจที่สงบที่เกิดจากการให้ที่เกิดจากการปล่อยวางที่เกิดจากการไม่มีความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีเพียงพ อ, อยังชีพไปได้ก็พอแล้วคนที่ไม่มีสมบัติกับจะมีความสุขมากกว่าคนที่มีสมบัติถ้า รู้จักให้รู้จักแบ่งปันรู้จักปล่อยวางไม่ยึดติดไม่หวงกับจะมีความสุขมากกว่าคนที่มีสมบัติแต่รักแต่หวงไม่ยอมแบ่งปันให้แก่ใครขณะที่อยู่ด้วยกันก็มีแต่ความวิตกมีแต่ความกังวลกลัวว่าจะหายไป เพราว่าจะต้องสูญเสียไปและก็มีความโลภอยากจะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆความโลภนี้ก็จะทำให้ใจวุ่นวายอยู่ไม่เป็นสุขต้องคิดหาวิธีการต่างๆที่จะให้มีทรัพย์สมบัติเงินทองเพิ่มมากขึ้นไปนี่คือการดับความทุกข์ ในระดับพื้นฐานของพวกที่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองถ้าสละได้ไม่ยึดไม่ติดได้ก็จะไม่โลภอยากได้มากก็จะได้มีเวลาที่จะมาปฏิบัติทำขั้นที่สูงขึ้นไปได้คือขั้นรักษาศีลขั้นภาวนา ทำใจให้สงบเพราะจะเป็นธรรมที่จะดับความทุกข์ได้มากกว่าความทุกข์ที่เกิดจากการทจากการหวงสมบัติเข้าของเงินทองเพรนอกจากที่เรามีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองแล้ว เราก็ยังมีความอยากที่จะทำอะไรบางครั้งบางเวลาที่ไม่ควรจะทำก็คือการทำบาปการทำบาปนี้เมื่อทำแล้วก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาวิธีที่จะทำให้ไม่มีความทุกข์ใจที่เกิดจากการทำบาปก็คือต้องละเว้นการทำบาป ต้องรักษาศีลบาปก็มีอยู่ห้าข้อศีลห้าคือยารักษาโรคของความทุกข์ใจที่เกิดจากการทำบาปเวลาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกพูดปดเสพสรายาเมาใจของเราจะมีความทุกข์ใจจะมีความไม่สบายใจ ถ้าเราไม่ทำความไม่สบายใจความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นการที่จะไม่ทำบาปได้ก็ต้องมีความตั้งใจที่จะละเว้นการละเว้นการกระทำบาปก็เรียกว่าศีลนั่นเองศีล5เป็นขั้นเริ่มต้นของการทำลายความทุกข์ใจ ที่เกิดจากการฆ่าลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาพอเรากำจัดความทุกข์หรือป้องกันความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปได้ใจของเราก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับการรักษาโรคของร่างกายที่มีหลายโรคด้วยกัน เรารักษาโรคปวดหัวได้ความทุกข์ทางทางการปวดหัวก็จะหายไปแต่เรายังมีทุกข์ที่ปวดท้องอยู่เราก็ต้องมารักษาโรคปวดท้องต่อร่างกายใจของเราก็มีโรคหลายโรคด้วยกันโรคที่ต้องรักษาด้วยการทำทานเราก็ทำไปโรคที่ต้องรักษาด้วยการรักษาศีล เราก็รักษาไปโลกของการรักษาศีลก็มีสองระดับด้วยกันศีลของนักบุญกับศีลของนักบวชศีลของนักบุญนี่ก็คือศีลห้าคนที่ใจบุญสนทานคนที่ชอบทําทานจะไม่ชอบทําบาปจะไม่ชอบเบียดเบียน จะไม่ชอบสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็จะรักษาศิน5้าแต่สําหรับผู้ที่อยากจะเป็นนักบวชอยากที่จะรักษาโรคที่ศินห้ารักษาไม่ได้ก็จําเป็นจะต้องใช้ศินแปดสินแป น, นี้ก็จะช่วยรักษาโรคที่ศินห้ารักษาไม่ได้ โรคก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากมีความสุขทางร่างกายเช่นความสุขที่ได้จากการร่วมหลับนอนกับผู้ครองของตนความสุขที่ได้รับจากการรับประทานอาหารตามความอยากความสุขที่ได้รับจากการไปดูไปสัมผัส กับพวกมหร์รสบบันเทิงต่างๆความสุขที่ได้รับจากการเสริมความงามของร่างกายแต่เป็นความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวและเป็นความทุกเวลาที่ไม่สามารถที่จะทำที่จะเสกได้เวลาที่อยากจะร่วมหลับนอนกับคู่ครอง แต่พอดีคู่ครองติดธุระไม่อยู่ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศต้องอยู่คนเดียวเวลานั้นความสุขที่จะได้รับจากคู่ครองก็ไม่มีสิ่งที่จะมาทานที่ก็คือความเหงาความว้าเหว่ก็เป็นความทุกข์แบบหนึ่งของใจเช่นเดียวกับการอยากรับประทานอาหาร แบบไม่มีขอบไม่มีเขต ร, รับประทานตามความอยากอยากจะรับประทานเมื่อไหร่ก็รับประทานได้ถ้าเวลาอยากรับประทานแล้วไม่มีอาหารให้รับประทานก็จะไม่มีความสุขหรือเวลาอยากจะรับประทานแต่ร่างกายรับประทานไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่มีความสุข สิ่งที่จะมีก็คือความทุกข์ใจไม่สบายใจเช่นเดียวกับการดูมหรสพบันเทิงต่างๆหรือการสวมเสริมสวยความงามของร่างกายเวลาได้ทำก็มีความสุขเวลาอยากทำแล้วไม่ได้ทำ<ม>ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรารักษาศีลแปดได้ เราก็จะไม่ต้องทุกข์กับความอยากเหล่านี้เพราะเราตั้งใจที่จะไม่ทำไม่หาความสุขแบบนี้แล้วเราจะได้มีเวลามาหาความสุขมาดับความทุกข์ที่ใหญ่กว่าที่ดีกว่าคือความสุขที่เกิดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆถ้าเราสามารถทำใจให้สงบได้ ความอยากต่างๆก็จะสงบตัวลงไปชั่วคราวแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากการหาผ่านทางร่างกายถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราก็จะไม่มีเวลามาสร้างความสุขด้วยการทำใจให้สงบเพราะเราก็จะ หมดเวลาไปกับการหาความสุขทางร่างกายทางการจักด้วยการรับประทานด้วยการดูมอหรสพบันเทิงต่างๆด้วยการเสริมสวยความงามของร่างกายของเราเวลาที่จะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติทำใจให้สงบก็จะไม่มี ดังนั้นถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากต่างๆเราก็ต้องมาถือศีลแปดกันถือศีลแปดแล้วก็มาเจริญสติมานั่งสมาธิมาศึกษาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อจะได้รู้จักวิธีดับ ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้อย่างถาวรต่อไปนี่คือธรรมโอสฐสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาที่ไม่มีศาสนาใดที่จะสอนให้เราได้เท่ากับพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นก็สอนคล้ายๆกัน เพียงแต่ว่าไม่สามารถสอนถึงขั้นสูงสุดได้ถ้าเปรียบเทียบการศึกษาในปัจจุบันอาจจะสอนได้ถึงระดับมัธยมแต่ไม่ถึงระดับอุดอมศึกษาเช่นศาสนาทั่วๆไปจะสอนให้ทำทานให้รักษาศีลให้ไหว้พระสวดมนต์ทำใจให้สงบ อันนี้ก็จะได้ความสงบได้ความสุขในระดับที่เรียกว่าโลกิยคือเป็นความสุขที่มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมหมดไปแต่ถ้าได้มาศึกษากับพระพุทธศาสนาก็จะได้ศึกษาความสุขหรือความดับ ความทุกข์ที่สูงไปกว่าขั้นโลกียะเรียกว่าขั้นโลกุตตะระขั้นเหนือโลกโลกียะคือขั้นของโลกโลกุตตะระนี่คือขั้นเหนือโลกคือทําให้เราหลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาติดอยู่กับโลกียะโลกียะก็คือโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่เอง ส่วนโลกุตระนี้คือโลกของการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการมีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนขั้นโลกุตระขั้นโลกุตระนี้ก็คือขั้นวิปัสสนาหรือขั้นปัญญานี้เองที่ไม่มีใครสอนได้ต้องเป็นคนระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมีปัญญา เข้าถึงความรู้อันนี้ได้สิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้ที่ศาสดาของศาสนาอื่นไม่รู้ก็คืออะไรก็คือพระอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าทุกของใจนี้เกิดจากความอยากของใจเองความอยากของใจก็มีอยู่สามด้วยกัน คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะเรียกว่ากามัตันหาความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตันหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตันหาความอยากทั้งสามนี่แหละที่ทําให้สัตว์โลกต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องทุกข์แล้วทุกข์อีกหรืออยู่เรื่อยๆ เพราะว่าเมื่อมีความอยากแล้วมันก็จะอยากไปเรื่อยๆเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราทำตามความอยากพอเราได้มาแล้วความอยากแทนที่จะหมดไปมันกลับโผล่ขึ้นมาใหม่กลับอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปหรือไม่เช่นนั้นก็อยากได้อย่างอื่นอยากไปเรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไป ใจที่ยังมีความอยากอยู่ก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็มาทําตามความอยากต่อเหมือนที่พวกเรามาเกิดเวลาเรามาเกิดนี่มีใครสอนให้พวกเราอยากกันบ้างหรือเปล่าความอยากนี่มีใครสอนไหมหรือว่ามันมีอยู่ในใจมาตั้งแต่ก่อนที่เราเกิดแล้วพอเห็นอะไรชอบใจก็อยากได้ทันที เห็นรูปเห็นเสียงเห็นกลิ่นเห็นรสได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโดทพะก็กพอถูกใจก็อยากได้พอไม่ถูกใจก็อยากหนีอยากได้ก็เรียกว่าภาวะตัณหาอยากหนีก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาเพราะเกิดความอยากใจก็ต้องดิน้นพอใจดิน้นใจก็ทุกข์ใจไม่สงบนี่แหละคือสิ่งที่ไม่มีใครในโลกนี้ รู้นอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นนอกจากรู้เหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจแล้วยังรู้จักเหตุที่จะดับความทุกข์ใจนี้ด้วยรู้จักวิธีที่จะทำให้ความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนี้หมดไปก็คือต้องทาทานต้องรักษาศีลต้องภาวนาต้องเห็นโทษของความอยาก ต้องเห็นทุกข์ในสิ่งที่อยากได้ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้ไม่เที่ยงไม่ถาวรไม่แน่นอนได้อะไรมาแล้วก็ไม่นานก็เปลี่ยนไปเวลาได้มาใหม่ๆก็ดีอกดีใจแต่พอสิ่งที่เราได้มาเปลี่ยนไปก็ทำให้เราไม่สบายใจขึ้นมาได้ของดีพอมัน กลายเป็นของไม่ดีเราก็เดือดร้อนเช่นเวลาไปซื้อรถยนต์มาซื้อมาใหม่ๆรถก็ดีแต่พอวิ่งไปได้สักสองสาวันไอ้นั่นก็เสียไอ้นี่ก็เสียจะเอาไปคืนบริษัทเขาเขาก็ไม่ยอมรับคืนตอนนั้นเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์เนี่ยแหละนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กัน พอได้มาแล้วเขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็วต้องเปลี่ยนแน่ๆเสื่อมช้าเสื่อมเร็วต้องเสื่อมแน่ๆ แ, แล้วในที่สุดเขาก็จะหมดสภาพไปไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้ต่อไปพอเราไม่ได้ความสุขจากเขาเราจะได้อะไรเราก็จะได้ความทุกข์มาแทนที่นี่คือวิปัสสนาปัญญาต้องเห็นทุกขังที่เกิดจาก สิ่งที่เราอยากได้ว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาคือเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาดีสั่งให้เขาไม่เสื่อมได้เขาต้องไม่ดีเขาต้องเสื่อมไปตามเวลาของเขาตามสภาพของเขาแต่เวลาเราอยากเาได้อะไรมาเราไม่มีกระจิตกระใจที่จะมาพิจารณากันเพราะใจของเรามันหิวมันไม่มีความสงบ ไม่มีความสุขในใจพอเกิดความอยากแล้วก็ต้องเอามาทันทีแต่ถ้าเราทำใจให้สงบให้ได้ก่อนพอใจเราสงบใจของเราจะมีความสุขพอที่จะไม่หิวกับสิ่งต่างๆเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้เห็นคุณให้เห็นโทษได้ พอเห็นว่าเป็นโทษไม่เป็นไม่เป็นคุณเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขเป็นสุขปลอมเป็นสุขเดียวเดียวแต่เป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะตามมาต่อไปก็ฝืนความอยากไปไม่ทําตามความอยากพอเราฝืนความอยากไปเรื่อยๆต่อไปความอยากก็จะหมดกำลังไป ความอยากหมดกาลังไปก็จะไม่มีอะไรมาคอยกระตุ้นมาคอยออกระตุกมาคอยผักมาคอยดันให้เราไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราพอเรามีความสุขที่ดีกว่าอยู่ในใจของเราแล้วคือความสงบของใจที่เกิดจากการไม่มีความอยากนี่นี่แหละคือวิธีดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยาก ต้องอยากด้วยปัญญาคือเห็นใจรักเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาในสิ่งที่เราอยากได้เห็นทุกภายในใจของเราที่เกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นและเกิดจากเห็นทุกที่เกิดจากการที่เราต้องสูญเสียสิ่งนั้นไปนี่เป็น สิ่งที่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะรู้ที่จะเห็นแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นผู้ใดที่เห็นตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นก็จะสามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจไปได้หมดเมื่อดับความทุกข์ด้วยการดับความอยากได้ก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป เพราะเหตุที่ทำให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันก็เพราะความอยากนี่เองพอไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เมื่อไม่เกิดใหม่ก็ต้องไม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ไม่ต้องมาทุกข์มาวุ่นวายกับการพัดพรากจากสิ่งที่เราหามากันตอนนี้เรายังหลงอยู่เรายังมีความอยากอยู่ เราจึงไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราอยู่แต่พอสิ่งนั้นสิ่งนี้เปลี่ยนไปเสื่อมไปจากเราไปเราก็เกิดความเสียอกเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเรารู้ทันเราไม่ไปหาอะไรเราอยู่ตามเราอยู่ตามมีตามเกิดเราอยู่กับความสุขของใจนี้เราก็ไม่เดือดร้อน และความสุขของใจนี้มันยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้รับจากการทำความอยากดังนั้นขอให้เรามาสร้างความสุขทางใจกันด้วยการทําทานด้วยการนักษาสิงด้วยการทาใจให้สงบถ้าเรามีความสุขทางใจแล้วเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็จะใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้ทำตามความอยากได้ เ ร, เราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากก็จะหมดกำลังไปแล้วเราก็จะไม่มีอะไรมารบกวนใจเราอีกต่อไปเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดเวลาหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจของเราก็ยังมีความสุขเหมือนเดิมอยู่เหมือนขณะที่ยังมีร่างกายอยู่แต่ใจไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกาย ไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่อีกต่อไปใจก็อยู่อย่างมีความสุขไปไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเรายังไม่มีศรัทธาเราก็ต้องบังคับตัวเราให้เข้าหาพระพุทธศาสนาให้ฟังธรรมให้ศึกษาพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าให้มากๆ แล้วพยายามน้อมเอาคำสอนของพ่อพระพเจ้าไปปฏิบัติเหมือนกับเราบังคับตัวเราเองให้รับประทานยาเวลาเราไม่สบายเราไปหาหมอหมอให้ยามาถ้าเราไม่มีศรัทธาเราไม่เชื่อหมอเราไม่รับประทานยาโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่หายและอาจจะเป็นมากขึ้นไปจนถึงต้องตายไปก็ได้ แต่ถ้าเราเชื่อหมอแล้วบังคับตัวเราเองให้กินยาตามที่หมอสั่งพอยาได้เข้าไปข้างในร่างกายแล้วยาก็จะได้ทำหน้าที่ไปฆ่าเชื้อโรคต่างๆที่ทำให้ร่างกายเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาแล้วไม่นานโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปฉันใดพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนหมอเป็นเหมือนยาพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนหมอ คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนอยาพระพุทธเจ้ามอบอยาให้เรามาสามชนิดคือทานศีลภาวนาเอาไปปฏิบัติกันถ้าปฏิบัติแล้วรับรองได้หมอคนนี้รับรองว่าหายจากโรคภัยไข้เจ็บทางใจอย่างแน่นอนร้0เซเพราะมีลูกค้ามีคนไข้มารักษาหลายรายแล้วเป็นจำนวนหมืน่นเป็นจานวนแสนแล้วที่ ได้หายจากโรคของความทุกข์ใจและได้ไปเป็นหมอแทนพระพุทธเจ้าต่ออีกทีหนึ่งก็คือพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก่อนที่ท่านจะเป็นพระอาหารหันตสาวกท่านก็เป็นเหมือนพวกเราเป็นปุถุชนที่ยังมีความทุกมีความอยากรุมเล่าจิตใจอยู่ตลอดเวลาและพอได้มาสัมผัส ร, รับรู้กับพระพุทธศาสนาก็พยายามบังคับตัวเองให้ศึกษา บังคับตัวเองให้ปฏิบัติพอได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วพอทำได้เข้าไปสู่ภายในใจแล้วทำก็ได้ทำหน้าที่ทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไปตามลำดับจนมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยท่านก็เลยกลายเป็นพาาระอรหันตสาคก คือเป็นผู้ที่ได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะหายแล้วและตอนนี้มาเป็นมาทําหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้ารักษาคนไข้ต่อไปนะนี่แหคือโอกาสอันดีอันงามอันเลิศอันประเสริฐที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งการจะเกิดของพระพุทธเจ้าในแต่ละครั้งนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายดายนานๆ ทีหนึ่งจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดสักครั้งหนึ่งระยะเวลาระหว่างพระพุทธเจ้าสองพระองค์นี้ท่านเรียกว่าเป็นกับกับนี้ก็เป็นเวลาที่เราไม่สามารถที่จะวัดได้ด้วยตัวเลขที่เราเขียนกันมันยาวกว่า น, นั้นมากมีการเปรียบเทียบกับหนึ่งว่าเหมือนกับทุกๆร้อยปีเราเอาผ้ามารูปภูเขาหิมาลัยหนึ่งครั้ง ให้ทำอย่างนี้ทุกๆร้อยปีทุกร้อย ป, ปีเราผ้ามาลูปภูเขาฮิมาลัยหนึ่งครั้งเราต้องทำอย่างนี้ไปจนกว่าเขาฮิมาลัยจะสึกหายไปลาบไปกับดินนั่นแหละเป็นเวลาหนึ่งกับด้วยกันเคิดดูก็แล้วกันว่ามันนานขนาดไหนถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏมาเป็นที่พึ่งของพวกเราสักครั้งหนึ่งแล้วจังหวะใดบ้างที่เราจะได้มาเกิด พร้อมๆกับพระพุทธศาสนาเราตายไปแล้วนี่เราไม่รู้ว่าต้องไปใช้บุญใช้บาปบนสวรรค์บนนรกอีกนานสักเท่าไหร่ถึงจะได้กลับมาอีกกลับมาอีกครั้งหนึ่งอาจจะไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้หรือว่ามีพระพุทธศาสนาแต่ไปอยู่กันคนละที่ก็ได้เช่นไปเกิดอีกซ่งหนึ่งของโลกที่ไม่มีพระพุทธศาสนาถึงแม้จะมีพระพุทธศาสนา อยู่ในสีกโลกนี้แต่เราอยู่อีกสีกหนึ่งเราก็ไม่รู้ไม่รับรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะอยู่ในโลกเดียวกันดังนั้นขอให้พวกเราอย่าประมาท อ, อย่าทำตัวเป็นไก่ได้พลอยขอให้เราเห็นคุณค่าของพลอยดีกว่าไส้เดือนไก่นี้เขาไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะ คุณค่าของไส้เดือนกับเพชรพลอยเวลาเจอเพชรพลอยนี่เขาจะเขียเข่ยทิ้งเขี่ยทิ้งเขาจะเอาแต่ไส้เดือนพวกเราก็ถ้าเป็นไก่ก็เหมือนพวกที่เจอคําสอนของพระพุทธเจ้าเจอว่าเจอว่าก็เดินหนีเจอบ่อนเจอผับก็เดินเข้าหาเ น, น, นี่คือพวกไก่เห็นของดีกับเดินหนีของไม่ดีกับเดินเข้าหาแล้ว พอเข้าไปหาของไม่ดีแล้วเป็นอย่างไรก็ได้แต่ความวุ่นวายใจได้แต่ความทุกข์ใจของดีกลับไม่เข้าหาเท่าขาของดีก็จะได้ความสงบได้ความสุขใจดังนั้นขอให้พวกเราพยายามเตือนตนอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปชีวิตของเราก็น้อยลงไปเวลาของเราที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ พอถึงเวลาที่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วตอนนั้นก็หมดโอกาสแล้วดังนั้นในขณะนี้ในขณะที่เรายังทำได้ขอให้เราทำกันอย่างเต็มที่อย่าปล่อยให้อย่างเรื่องอย่างอื่นมาคอยฉุดคอยลากให้เราไปทำเพราะเรื่องต่างๆในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มีคุณค่าเท่ากับการศึกษาเท่ากับการปฏิบัติธรรม เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดับความทุกข์ใจของเราได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะยุติการเวียนว่าตายเกิดของเราได้นอกจากการศึกษาจากการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไหวเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปิริบุเรนติสาคกังเอวเมวัิโตทินนางเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจตุสะเพบุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณิโจติ ราโสยถาสปิฏโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะอาปิวาฒนาสีลิสานิจจังวุธาปจายโนจตารโอธรมมวาทานติอายุวันโอสุขัง าลาาต่อไปนี้ก็จะมีการถามตอบปัญหาธรรมมีคำถามที่ตกค้างมาจากสั ป, ปดาห์ที่แล้วเนื่องจาก ข่าวที่แล้วฝนตกเวลาไม่ค่อยมีว่าเหมือนวันนี้ฝนก็ตกเชิญถามได้เลยเกี่อมาคนเดียวมองไปเห็นลูกชายมาทั้คอบคัวเลยพ่อกลับมาแล้วหรือย่ายังามาด้วยนะ ต้ามาก็อย่ามานะครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k พระอาจารย์สุชาติพิชาโตนะครับคำถามข้อแรกจากคุณนัดทวัตนะครับข้อที่หนึ่งในขณะที่นั่งทำสมาธิภาวนาโดยดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธขณะที่บริกรรมอยู่จิตก็หนีออกไปคิด ให้รู้ว่าจิตหนีออกไปคิดแล้วดึงกลับมาดูลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธต่อทำเช่นนี้ถูกต้องไหมครับถูกแล้วอย่าไปอย่าไปคิดตามพอเขาพอรู้ว่าเขาไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แสดงว่าเราไม่ทางานที่เราควรจะทาก็คือดูลมหายใจเข้าออกหรือพุทโธเราก็ต้องรีบกลับมาทำต่อทันทีทาอย่างนี้ไปเรื่อย เวลาเผลอแล้วพอรู้สึกตัวก็กลับมาใหม่เริ่มต้นใหม่ทำไปจนกว่ามันจะไม่เผลอถ้ามันไม่เผลอมันดูลมอย่างต่อเนื่องหรือพุโทโธอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่ความสงบไป ข้อที่สองขณะที่นั่งสมาธิบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆมีอยู่ช่วงหนึ่งรู้สึกว่าคําภาวนาหายไปไม่แน่ใจว่าหลับหรือจิตสงบสักพักหนึ่งก็กลับมาภาวนาบริกรรมพุทโธต่อเรารู้ได้อย่างไรครับว่าเราหลับหรือว่าจิตสงบถ้าเราไม่รู้ก็แสดงว่าเราหลับแล้วถ้าสงบเนี่เราจะรู้ตลอดเวลา เรารู้ว่าเราสงบแล้วการที่เราไม่บริกรรมพุทโธเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องบริกรรมแล้วแต่ถ้าเราไม่รู้มันหายไปนี่แสดงว่าเราเผลอสติอ่อนกำลังลงไปแล้วเราก็เผลอหลับไปหรือหยุดไปสักพักหนึ่งแล้วพอเราได้สติเกินมาใหม่เราก็บริกรรมใหม่แต่ถ้าเวลาจิตสงบจริงๆนี่มันจะเป็นสิ่งที่แปลกว่าแปลกประหลาดมาสะใจ หูตาจะสว่างเลยเวลาจิตสงบนี่ดังนั้นพอสงบจริงๆแล้วไม่จะรู้ถ้าถ้ายัางไม่รู้ก็แสดงว่ายัางไม่ใช่ข้อที่3การพิจารณาไตรลักษณ์ข้อ 3.1 การพิจารณาไตรลักษณ์ให้พิจารณาจากกายและใจของเราเท่านั้นใช่ไหมครับ ถ้าเราไปเห็นคนอื่นเช่นญาติพี่น้องของเราแก่เจ็บตายเห็นคนอื่นโศกเศร้าเสียใจที่เขาต้องพัดภาคจากสิ่งที่รักแล้วเราเอามาพิจารณาเป็นไตลักถือว่าเป็นการพิจารณาไตาลักหรือเปล่าคือให้เราพิจารณาในสิ่งที่เรารักเราห่วงที่ทำให้เราทุกเวลาที่เขาจากเราไป คนที่เราไม่รักไม่หวงเวลาเขาจากไปเราไม่ทุกข์เราไม่ต้องไปพิจารณาให้เสียเวลาให้พิจารณาในสิ่งหรือในบุคคลที่เรารักเราหวงที่เราไม่อยากให้เขาจากเราไปแต่ในที่สุดเขาก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปเราต้องพิจารณาเพื่อให้ทำใจยอมรับกวความจริงนี้ให้ได้ว่าเราต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดา ลงพ้นการพัดพาดจากกันไปไม่ได้ดังนั้นการพิจารณาต้องพิจารณาในสิ่งที่เรารักเราหวงเช่นเงินทองนี่เรารักเราหวงพิจารณาว่ามันสักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดหรือมันไม่หมดเราก็ต้องจากมันไปบุคคลที่เรารักเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายสามีภรรยาบุตรธิดาเนี่ย เป็นบุคคลที่เรารักเราอยากให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆเนี่ยเราต้องพิจารณาให้เห็นว่าเขาต้องจากเราไปและความทุกข์ของเรานี้เกิดจากที่เราไปหลงคิดว่าเขาเป็นของเราเขาจะอยู่กับพอเราคิดว่าเขาเป็นของเราเราก็จะมีความอยากให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆแต่ถ้าเราคิดว่าของทุกอย่างนี้ไม่ใช่เป็นของเราถ้าเป็นของเราก็เป็นของเราเพียงชั่วคราว เป็นเหมือนของยืมเขามาสักวันหนึ่งก็ต้องคืนเจ้าของไปถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะได้ไม่มีความอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดพอเราไม่มีความอยากความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดที่เราพิจารณานี้เพื่อให้เราหยุดความอยากอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดเพราะมันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาเป็นของเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นเอง ข้อ 3.2 ในขณะที่นั่งปฏิบัติภาวนาหรือในขณะที่ไม่ได้นั่งปฏิบัติภาวนาเราจะพิจารณาไตรลักษณ์ได้อย่างไรอยากให้พระอาจารย์อธิบายด้วยครับและใช้อะไรเป็นตัวในการพิจารณาการพิจารณานี้เราพิจารณาได้ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะดึงมันมาพิจารณาได้หรือเปล่าเท่านั้นส่วนใหญ่ใจของเราจะถูกกิเลสดึงไปพิจารณามากกว่า ให้เราไปพิจารณาของสวยๆงามๆของน่ารักน่าชมน่าดูน่าฟังน่าดื่มน่ารับประทานเราก็ทำให้เราเกิดตัณหาความอยากแล้วเราก็ต้องไปหาสิ่งที่เราอยากได้แล้วเราก็ไปวุ่นวายใจไปทุกข์ใจกับสิ่งที่เราอยากได้วุ่นวายกับการหาวุ่นวายกับการรักษาวุ่นวายกับการสูญเสียแต่ถ้าเราสามารถดึงใจมาให้คิด ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงถ้าเรามีความสามารถที่จะพิจารณาได้เราก็จะดึงใจของเราไม่ให้ไปหาสิ่งต่างๆได้หยุดใจของเราไม่ไปหาสิ่งต่างๆไม่ต้องไปวุ่นวายกับสิ่งต่างๆได้ปัญหาก็คือใจของเรามันไม่คิดอย่างนี้มันชอบคิดไปอีกทางนึงชอบคิดไปในทางความอยากกัน ดังนั้นวิธีที่จะแก้ก็คือเราต้องแยกตัวเราออกเองออกจากสังคมออกจากโลกของความอยากไปอยู่ในโลกของความไม่อยากเช่นไปอยู่ตามวัดตามวานี่เป็นโลกที่เป็นโลกของคนที่เขาไม่มีความอยากกันไปอยู่วัดอยู่วาแล้วมันไม่มีอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานก็จะได้มีเวลาที่จะมาคิด ถึงโทษของสิ่งต่างๆที่เราไปหลงอยากได้อยากมีอยากเป็นกันแต่ถ้าเราสามารถพิจารณาได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็พิจารณาไปเลยเป้าหมายของการพิจารณาก็เพื่อหยุดความอยากถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจ ข้อที่สได้ฟังธรรมของพระอาจารย์ที่ว่าหลังจากที่กายตายไปแล้วแต่ดวงจิตไม่ตายไปด้วยและดวงจิตจะได้ไปเกิดในชาติภพภูมิใหม่ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่ทาถ้าดวงจิตได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์มีร่างใหม่ทำไมดวงจิตถึงจาชาติที่แล้วไม่ได้ว่าเกิดเป็นใครเป็นลูกใครแต่ทาไมถึงมีบางคนสามารถที่จะระลึกชาต ที่แล้วได้ของตัวเองคือความสามารถในการจดจําของแต่ละคนมีไม่เท่ากันบางคนมีความจดจําได้ดีบางคนท่องพระไตรปิฎกได้ทั้งพระไตรปิฎกเช่นพระ อ, อ, น, อนนท์นี่ท่องพระสุตสุ ต, ตันตะปิฎกหนึ่งในสามพระไตรปิฎกได้นี่คือความจําของแต่ละคนอยู่ที่การฝึกฝนอบรมตนเองถ้าฝึกฝนอบรมให้หัดจํามันก็ความจําก็จะดี เช่เราหมั่นสวดมนต์ทุกวันทุกคืนทุกเวลาเนี่ยมันก็จะจําได้แต่ถ้าเราไม่สวดไม่ไ ม, ไม่ไม่ทบทวนสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นเดี๋ยวเราไปรับรู้ความเห็นใหม่มาความรู้ใหม่ๆมันก็จะมากบมาทับความรู้เก่าไปถ้าเราอยากจะรักษาความรู้เก่าเราก็ต้องคิดถึงมันอยู่เรื่อยๆเช่นเมื่อเช้านี้รับประทานอะไรจําได้บ้า ถ้าอยากจะรู้ว่าเมื่อเช้านี้รับประทานอะไรแล้วอีกสิบวันยังจะรู้ว่ารับประทานอะไรก็ต้องท่อ ง, องมันทุกวันเมื่อเช้านี้กินปลาท่องโก้ดื่มดื่มโอเบนตินดื่มกาแฟท่องไปร า, ายการเมนูที่เราได้รับประทานเนี่ยถ้าเราท่องอยู่เรื่อยๆจดจําอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็ฝังอยู่ในใจอย่างชื่อเรานี่ทําไมเราจําได้เพราะเราต้องใช้มันอยู่ทุกวันเนี่ย ไไหนก็คนก็เรียกชื่อเราเราก็จาออกเขาเรียกชื่อเราแแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในที่เขาไม่ไม่เรียกชื่อเราเงี้ยเดี๋ยวเราก็ลืมได้ว่าชื่อเราชื่ออะไรเพราะเราไม่ได้ใช้เหมืนอนดังนั้นเรื่องของการจดจำของแต่ละคนนี้มีความไม่เท่ากันนักเรียนจึงเรียนหนังสือดีไม่ดีไม่เท่ากันไงคนที่สอบได้ที่หนึ่งกับคนสอบได้ที่โหลก็เพราะความจำนี่แหละาคนจำดีสอบ เวลาสอบก็ทำข้อสอบได้คนจําไม่ดีก็สอบก็ทำข้อสอบไม่ได้ดังนั้นมันมันอยู่ที่ความจําของแต่ละคนที่มีจากจากระดับศูนย์ขึ้นไปถึงระดับร้อยเช่นคนที่เป็นอัลไซเมอร์นี่ก็ความจําหายไปหมดเลยเวลาแก่แล้วบางทีความจําก็หายไปหมด คำถามข้อต่อไปคุณอรายานะครับอุทิศบุญนึกในใจกับตรวจน้ําเทลงพื้นได้บุญเท่ากันไหมเจ้าคะและต้องทําหลังทําบุญทันทีเลยไหมเจ้าคะคือบุญนี่ก็คือความสุขใจที่เราได้รับจากการที่เราทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเช่นเราทําทานช่วยเหลือผู้อื่นเราเกิดความสุขใจความสุขใจนี้เราสามารถแบ่งให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้ แต่ความสุขใจนี้มันก็จางได้ถ้าเราไม่รีบกวดเราไม่รีบอุทิศเสียเดี๋ยวเราไปทําอะไรที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความสุขใจที่เราได้จากการทําบุญนั้นจะหายไปแล้วเราก็จะไม่มีอะไรอุทิศไปให้กับผู้ร่วงลับไปแล้วดังนั้นจึงเป็นธรรมเนียรเมื่อเราทําเสร็จปับ๊บตอนนั้นเป็นเวลาที่เหมือนกับ กับข้าพึ่งเสร็จมายกขึ้นมาจากเตาใหม่ๆรีบตักใส่ชามรีบเอาไปรับประทานสีรีบเอาไปแจกคนนั้นคนนี้เสียอย่าไปรอปล่อยให้มันช่างเย็นชืดแล้วบูดเน่าแล้วค่อยเอาไปให้เขาดังนั้นการอุทิศบุญนี้เราควรจะอุทิศหลังจากที่เราได้ทําบุญแล้วเลยและไม่ต้องใช้การกวดน้ําและไม่ต้องใช้ให้พระภิกษุมาสวดให้กับเราเป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะ บุญอยู่ในใจของเราและเราอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่เป็นร่างทิพย์ได้ด้วยใจของเราเองเพียงแต่เราเรารึกเท่านั้นเองว่าขอทิศส่วนบุญส่วนนี้ให้กับคนนั่นคนนี้ที่ล่วงรับไปแล้วถ้ารอรับอยู่ก็ขอให้มารับไปเถิดแค่นี้ก็เสร็จแล้วคำถามข้อต่อไปจากคุณนิชชาพานะครับปฏิบัติสม่าเสมอทุกวันเช้าและก่อนนอน มีอุเบกขาจิตที่สงบเย็นตลอดทั้งวันเริ่มถือศีลแปดเฉพาะวันพระเพราะยังมีคู่ครองอยู่นึกอยากบวชแต่สามีไม่อนุญาตการจะก้าวต่อจากจุดนี้ไปนั้นคงต้องค่อยรอกรรมค่อยรอธรรมะจัดสรรแต่ก็ไปปฏิบัติเข้มครั้งละสิบวันอยู่เป็นระยะระยะชักชวนสามีให้ปฏิบัติได้ในคอร์สเจ็วัน วันหนึ่งเขาคงอนุญาตให้บวชถ้าไม่ได้บวชจะยกจิตขึ้นอีกระดับได้หรือไม่เจ้าคะได้ก็บวชที่บ้านก็ได้ปฏิบัติที่บ้านก็ได้การปฏิบัตินี้ไม่จำเป็นจะต้องบวชที่วัดเพียงแห่งเดียวการบวชนี้มันบวชที่ใจคือถ้าใจเรารักษาศีลแปลได้ตลอดเวลาก็ถือว่าเราเป็นนักบวชแล้ว แล้วถ้าเราจเจริญสติได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วดังนั้นเรื่องของสถานที่มันไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญแต่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําให้มันง่ายหรือยากถ้าเราไปอยู่สถานที่สงบไม่มีเรื่องราวมาคอยขัดขวางการปฏิบัติของเรา มันก็ดีกว่าที่อยู่ในสถานที่ที่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆที่ยังมาคอยขัดขวางการทำใจให้ของเราให้สงบอย่างนั้นถ้าเรายังไปบวชไม่ได้ไปอยู่วัดไม่ได้ก็บวชที่บ้านถือศีลที่บ้านปฏิบัติที่บ้านวันไหนที่ต้องลาบวชก็ลาไปไหนก็เป็นเฉพาะกรณีไป เช่นวันนี้สามีบอกขอขอนอนด้วยอ่าวันนี้ก็ขอกลับมารักษาสีหน้าแทนก็แล้วกันแล้วพรุ่งนี้ก็ไปรักษาศีแปดใหม่แต่มันก็ไม่ดีเท่ากับการที่ได้รักษาศีแปดไปตลอดตัดมันไปเลยถ้าตัดมันไปเลยได้มันก็จะได้หมดปัญหาไปมงั้นมันก็ยังคาราคาสังกันอยู่แต่ถ้าปฏิบัติไปได้คุณได้ผลมากขึ้นเท่าไหร่แล้วธรรมะมันก็จะเป็นตัวจัดสรรให้เราเอง เมื่อถึงเขีดหนึ่งแล้วมันก็จะทิ้งสามีทิ้งภรรยาได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทิ้งสามทิ้งภรรยาทิ้งลูกทิ้งราชสมบัติได้เพราะธรรมะมีพลังมากกว่าพลังของกิเลสตัณหาที่จะฉุดรั้งให้เราอยู่กับความสุขแบบของกิเลสตัณหาธรรมะจะดึงให้เราไปหาความสุขของธรรมต่อไป คำถามข้อต่อไปจากคุณยูแคลรกบัดดนทัชนะครับถ้าอนาคตไม่มีพระสุปฏิปันโนเลยไม่มีผู้ควรรับสิกนาทานเลยกระผมควรจะบริจาคทุนเงินทั้งหมดของกระผมลงในจุดไหนของพระพุทธศาสนาถึงจะได้คำได้คยายันพระพุทธศาสนาและได้บุญมากที่สุดเช่นทาหนังสือธรรมะสร้างเจดีหรือดูแลหมูสง หรือวัดวาอารามดีครับทุ่มเงินทั้งหมดลงตรงจุดไหนให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็สนับสนุนให้มีการศึกษาให้มีการปฏิบัติสนับสนุนผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบข้อต่อไปนะครับที่เรียกว่าสังฆทานได้บุญเยอะที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าทำบุญกับหมู่สงแล้วได้บุญเยอะ หมู่สงตรงนี้หมายความว่าหมู่แห่งพระอริยสงหรือหมู่หมู่สมมติสงทั่วไปก็ได้บุญเยอะเหมือนกันอ๋อถ้าเปรียบเทียบระหว่างสมมุติสงกับอริยสงในอริยสงมันก็เป็นสงที่แท้จริงเป็นเนื้อนาบุญที่แท้จริงส่วนสมมุติสงนี่ก็ยังเป็นปุถุชนกิเลสที่มีกิเลสตัณหาอยู่ในหัวใจ ถ้าเป็นดินถ้าเป็นดินก็เป็นดินที่มีหินมีกรวดมีก้อนมีทรายปลูกข้าวก็จะไม่ค่อยดอกค่อยได้ผลเท่าไหร่ไม่เหมือนกับดินที่มีมีปุ๋ยมีอะไรพระอาริยสง์นี่แหละคือเนื้อนาบุญที่แท้จริงส่วนพระที่ยังเป็นปุตุชนนี้ยังไม่ได้เป็นเนื้อนาบุญแต่ก็เป็นผู้ที่ต่อไปจะเป็นเนื้อนาบุญต่อไปเราก็ต้องสังเคราะห์ทั้งทั้งอริยสงฆ์ทั้งปุตตุชนสงฆ์ สราบใดที่ท่านยังตั้งอยู่ในตั้งอยู่ในธรรมวินัยคือยังปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีลของธรรมที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ก็ไม่เสียหายตรงไหนคำถามข้อต่อไปจิตใจที่ไม่หมดกิเลสแต่ทำไปเพราะต้องบริหารปัจจัยสี่เพราะเป็นคารวาสต้องมีเงินไว้ใช้สนับสนุนปัจจัยสี่ แต่ยังไม่หมดกิเลสแต่ต้องบริหารปัจจัย4ี่อันนี้พระอาจารย์เห็นว่าเป็นการสั่งสมกิเลสเป็นค่าสึกต่อการปฏิบัติธรรมใหมครับก็อยู่ที่ว่าเราบริหารแบบแบบธรรมหรือแบบกิเลสนั่นเองถ้าเราบริหารแบบธรรมก็คือรักษาทรัพสมบัติไว้เพื่อให้ใช้ในเกี่ยวกับเรื่องปัจจัย4แล้วก็ไม่ยินดียินร้ายกับมัน เช่นมันจะอยู่หรือมันจะไปก็ไม่ไปวุ่นวายกับมันอันนี้ก็ไม่เป็นกิเลสแต่ถ้าเรารักษาด้วยจิตใจที่ยังวิตกกังวลยังวุ่นวายอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกิเลสอยู่เอาเด็กไปที่อื่นได้ไหมจ๊ะเอาเด็กไปที่อื่นได้ไหม เอาแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะแล้วค่อยว่ากันใหม่ก่อ้ท่านจงเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอร์น